บัตนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมทานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปอย่างที่เคยกล่าวมาแล้วโดยลำดับว่าธรรมะนั้นเมื่อเราจะกล่าวถึงที่มาที่ชัดเจนมันก็มาจากสองกระแสคืออกุศลนั้น เกิดสืบเนื่องมาจากอาวิชชาทั้งหมดอาการของกุศลทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นความโลคความโกรธความหลงความริษยาความแข็งดีความอาคาดพยาบาทรู้แล้วแต่มีอวิชชาเกี่ยวกามไม่รู้ปดอยู่ทั้งนั้นอาการจะแรงหรือไม่แรงก็อยู่ที่อวิชชาแรงหรือไม่แรงในพวหนึ่งนั้นก็คือตัววิชา พฤติกรรมที่เป็นไปในทางสร้างสรรค์ท้งหลายเช่นความเมตตากรุณาความอดทนความละอายต่อบาปความสะดุ้งกลัวต่อบาปความสงบสงยมความแช่มชื่นภายในใจเป็นผลสืบเนื่องมาจากวิชาคือความรู้ปริมาณของความรู้เพิ่มขึ้นเท่าไหร่อาการที่บุคคลแสดงออกทางกายทางวาจาใจก็จะสงบสงยมเรียบร้อยมากขึ้นเท่านั้น ยูสมบูรณ์ของการปฏิบัติธรรมะในทางศาสนาจึงอยู่ที่การเพิ่มขึ้นของวิชาแล้วในที่สุดตัววิชาที่เพิ่มขึ้นนั่นเองก็จะทำลายอาวิชาอย่างการศาสรู้ของพระพุทธเจ้าที่ท่านบอกก็ได้บรรลุวิชาสามก็หมายความว่าอวิชาในเรื่องนั้นๆได้ถูกดับไปอย่างสิ้นเชิง ปัจจัยของพระเจ้าก็เข้าถึงความรู้ที่สมบูรณ์ความบริสุทธิ์ที่สมบูรณ์ทําไม่ทรงมองโลกในแง่ของความเป็นจริงคือทรงมองโลกด้วยความกรุณาต้องการที่จะบําบัดขจัดความทุกข์ให้แก่ชาวโลกเหล่า น, นั้นแต่เนื่องจากไม่ใช่เรื่องการดนบรรดาลเอาได้การปลุกเสกเอได้ การทำงานของพระองค์ก็คือคือทรงชี้ทางให้เมื่อล่าโดยสรุปทางนั้นก็กลายเป็นทางควรเว้นและก็ทางให้ควรประพฤติที่เราพูดง่ายๆว่าละบาปบำเพ็ญบุญหรือบางทีแม้พูดคำว่าบำเพ็ญบุญปริบมรของบุญที่เพิ่มขึ้นอันเองก็จะทำทีละบาป การมองโลกในแนวนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมองเห็นมาตั้งแต่ก่อนที่จะเสด็จออกประนวดแล้วทรงเห็นว่าโลกนี้ที่จริงมันมีของแก้กันอยู่เช่นมีมืดก็มีสว่างแก้มีทุกข์ก็มีสุขแก้มีเย็นมีร้อนก็มีเย็นแก้มีกลางคืนก็มีกลางวันแก้เพราะนั้นถ้ามีเกิดมันก็ต้องมีไม่เกิดแก้ กระบวนการความทุกข์ทั้งหลายนั้นสืบเนื่องมาจากความเกิดก็ทรงมองเห็นว่าถ้าแรงแก้ความเกิดไม่ได้ความทุกข์ทั้งหลายมันก็แก้มันไม่ได้ก็ทําแค่บันเทาไปท่านั้นเองเพราะจึงมุ่งไปสู่การดับตัวความเกิดแต่ในการต่อมาก็ทรงมองเห็นว่าตัวความเกิดเองมันก็เป็นเพียงผลไม่ใช่เป็นตัวเหตุเดิม ตัวเดิมจริงๆก็คืออวิชชาการสัตรุ้งพระเจ้าจึงมองไปที่การดับอวิชชาเวลารับสั่งเล่าถึงการสัตรุ้ของพระองค์รับสั่งว่าวิชาเกิดขึ้นอวิชาดับไปวิชาเกิดขึ้นอวิชาดับไปเหมือนกับอะไรเหมือนกับแสงสว่างที่เกิดขึ้นแล้วความมืดหายไปฉะนั้น เันจะเห็นว่าเวลาทรงแสดงธรรมะในรูปขององค์ธรรมแบ่งทางดำเนินชีวิตของบุคคลเป็นสองกระแสเรียกว่าสัมมามักกับมิจฉามักสัมมามักก็คือทางเดินไปด้วยความรู้เข็นในทางที่ชอบที่ควรก็แสดงว่าปริมาณของวิชาหรือปัญญานั้นมากพอที่จะสอดสองมองดูทางว่าอะไรควรเดินหรือไม่ควรเดิน แม้จะไม่สมบูรณ์ก็ตามแต่ก็ช่วยรอดปลอดภัยในระดับต่างๆอย่างน้อยที่สุดก็ยุติเวรภัยที่จะเกิดขึ้นแก่ตนหรือปิกั้นเวรภัยที่ตนจะทำต่อบุคคลอื่นเอาไว้ก็เป็นการลดบาปลงไปได้ระดับสิลนทางสายหนึ่งนั้นเรียกว่ามิจฉามัก เป็นทางที่เดินไปด้วยความหลงผิดเข้าใจผิดทาให้คิดผิดทำผิดผิดไปทั้งกระบวนการโลกเขาก็เป็นเขาอย่างนี้มาตลอดมีตัวอย่างบุคคลที่เดินไปแล้วทั้งสองทางท่านเหล่านั้นประสบผลระดับต่างๆให้เราเห็นแล้วเราเป็นอนุชนรุ่นหลัง แตงหล่านั้นก็เดินให้ประสบผลเป็นทุกข์เป็นสุขเป็นความเสื่อมความเจริญเป็นสวรรค์เป็นนรกเป็นนิพพานได้เห็นแล้วและทางเหล่านั้นก็คงมีอยู่วันพระพุทธมีพระก็ทรงแสดงรับรองผลที่จะเกิดขึ้นแก่บุคคลทุกยุคทุ ก, ท ก, ทกสมัยวาสนาใดที่อริมักมีอุปรเบตรการยังมีอยู่ การศึกษาการาปฏิบัติชอบในริมพระองค์แปประการยังมีอยู่จากนั้นโลกจะไม่ว่างจากไระ่ะบุคคลทั้งสามระดับทั้ง4ี่ระดับอันหมายความว่าถ้าเราเดินไปในทางที่ชอบผลก็คงออกมาในทางที่เป็นความสุขความเจริญอยู่นั่นแหละเพียงแต่ว่าเดินไปได้ไกลหรือไม่ไกลก็เป็นรายละเอียดแต่ถ้ากวเดินไปในทาง ไม่ชอบคือคือมิจฉาบังผลคือความทุกข์ความโดยร้อนความเสื่อมก็คงเกิดขึ้นอยู่นั่นแหละจะมีความยิ่งความหย่อน ก, นกันก็แต่ปริมาณของอวิชชาที่แตกต่างกันจากอาวิชชานั้นทำให้เราไม่รู้เข็นถึงความเป็นจริงมีความเห็นที่รุนแรงก็กลายเป็นความเห็นที่เรียกว่าเป็นมิจฉาทิฐิ คือความเห็นที่ผิดเมื่อเราคิดออกมาจากเราเห็นผิดความคิดก็ออกมาในรูปของมิจฉาสังกปะคือคิดผิดการคิดผิดน้นพอคิดแล้วเนี่ยี่เริ่มคิดก็ผิดแล้วเป็นการปล่อยใจของตัวเองให้เลื่อนไหลไปตามกระแสของอารมณ์ถูกวงการด้วยกิเลส ประเภทโลภะประเภทควัญควาปรารถนาต้องการได้ต้องการมีต้องการเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งโน้นซึ่งเป็นเรื่องของการเลื่อนไหลที่หาจุดจบไม่ได้แล้วก็ไหลไปเรื่อยๆและปริมาณของความคิดล่านี้จะเพิ่มความรุนแรงขึ้นโดยลำดับจนเจ้าของความคิดเองก็รู้สึกว่ามันมีความร้าร้อนด้วยแรงปรารถนาปรากฏภายในใจ อาการร้อนร้นั้นก็จะเกิดปริมาณเพิ่มขึ้นเพราะโลนใจรุนแรงมากจริงขึ้นจนกลายเป็นอาการอย่างหนึ่งที่ท่านเรียกว่าปริยาหะคือการแผดเผาก่อให้เกิดความ ร, าร้อนร้อนจิตก็ไปดนิ่งจิตก็ดิ้นดิ้นก็เป็นอาการของการาตันหาภาวะตันหาดิ้นเพื่อได้เพื่อมีเพื่อเป็นแล้วเมื่อใจของคนเป็นจำนวนมากดิ้น แต่พวกวัตถุ ก, กรรมทั้งหลายนั้นมีอยู่อย่างจํากัดไม่สามารถจะตอบสนองความต้องการของคนแม้เพียงคนเดียวให้เต็มให้อิ่มได้โลกมันก็ต้องมีการต่อสู้กันมีการยื้อแย่งกันมีการทําลายล้างกันเพื่อตอนเองจะได้จะมีจะเป็นการต่อสู้กันในโลกเมื่อเราศึกษาไปก็จะพบว่ามีวิชาอยู่เบื้องหลังทั้งนั้น อาการทั้งหมดเป็นอาการของอวิชชาที่มีความเข้มข้นมากขึ้นจนกลายเป็นความไม่คำนึงถึงวิธีการในการได้มาขอเพียงแต่ได้มาเท่านั้นปนัญหาการช่อดชนการขอรับสั้นการโกงกินการรัดเอเปรียบมันก็เกิดขึ้นซึ่ง เ, เห็นอาการของวิชาชัดเจนว่าคนเหล่านั้นทำยังกับว่า สิ่งที่ตัวไม่คำนึงถึงวิธีการในการได้มาและแล้วก็ได้มานั้นจะอยู่กับตนตลอดไปให้ความสุขปกป้องคุ้มครองพยานอันตรายให้แก่ตนถ้าจริงแล้วหาเป็นเช่นนั้นไหมทรัพย์สมบัติเหล่านั้นถ้าเรียกว่าเป็นปัจจัยคือเป็นเครื่องอาศัยชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นเองอัางช้าที่สุดก็จากกันตอนตาย และสิ่งที่ติดตัวเราไปนั้นก็กลายเป็นบาปซึ่งเกิดขึ้นจากการสแสรงหาการได้มาการครอบครอง ต, ตลอดตั้งแต่การทำลายล้างบุคคลอื่นบาปติดตามไปแผดเผาในภพชาติต่างๆอย่างที่ทรงแสดงห้ามปราบตักเตือนเอาไว้ว่าความชั่วร้ายนั้นอย่าทำเลยเพราะทำไปแล้วมันจะตามแผดเผาในภายหลัง ได้จะทำให้บุคคลประสบความเศร้าโศกสิ้นการลนั้นอยู่ในโลกนี้ก็เดือดร้อนละโลกนี้ไปแล้วก็เดือดร้อนจะเดือดร้อนในโลกทั้งสองเพราะการกระทาที่เป็นบาปของตนท่าความคิดเหล่านี้แม้อยู่ระดับความคิดท่านก็เรียกว่าเป็นมโนทุจริตคือคิดผิดแล้ว เ พ, พราะอะไเพราะขัดแย้งกับความรู้สึกที่เป็นหลักของชีวิตแต่และชีวิตเพราะความรักเดิม น, นั้นเสมอโด้รนะักความรักตนไม่มีแสดงว่าชีวิตของบุคคลแต่ละคนนั้นเป็นที่รักเป็นที่พอใจของคนทนั้งหลาบุคคลพยายามปลนปลื้หาความสุขความสบายให้เกิดขึ้นกับชีวิตของตนแต่ความคิดด้วยแรงปรารถนาด้วยความอยากด้วยความโลภ โดยกระแสของตันหาที่ไหลไปจนขาดการควบคุมมอาจจะบังคับบัญชาให้เป็นไปตามที่เราต้องการได้ก็ความเร่าร้อนก็เกิดขึ้นภายในใจก็เห็นกันและความเร้าร้อนเหล่านั้นก็คืออาการของนิวรณ์จะเรียกว่ากลบมาชันใจจะสายใจจะพรัน่นใจจะดิ้นสภาพจิตจึง วิวโหยไม่รู้จักจบจำเป็นจะต้องใช้สอยจำเป็นจะต้องชดใช้ที่ทรงอุปมาเห็นว่ามันเหมือนคนตกเป็นหนี้เป็นศีลของบุคคลอื่นจะต้องชดใช้ก็รํำไปแต่นี่เป็นหนี้ที่เกิดขึ้นภายในใจแล้วตัวเองก็สลัดไม่หลุดก็ต้องตามชดใช้กันผ่านพบผ่านชาติต่างๆไปเป็นนั้นมาก เพราะในเรื่องของอวิชชาในจุดนี้แม้เพียงจุดเดียวท่านสาชนทั้งหลายจะสังเกตว่าถ้าเราเพิ่มปริมาณของวิชาขึ้นมีเหตุมีผลมากยิ่งขึ้นก็จะไม่ตรึกนึกจนเกิดความสับสนคือไม่ถึงก็ร่าร้อนแผอยู่ไปในใจ เวลามีการสแสวงหาก็ไม่ใช่ดิ้นไปตามตันหาแต่เป็นการสแสวงหาในรูปที่เรียกว่าสมาชีวะคือการเลี้ยงชีพในทางที่ชอบเราคงได้มาคงเป็นเจ้าข้าวเจ้าของของครอบครองสิ่งเหล่านั้นแต่พอถึงจุดหนึ่งนั้นปัญญาที่เพิ่มพูนมากกิ่งขึ้น ก็จะมองเห็นประโยชน์ที่ตนจะได้จากสิ่งที่ตนเป็นเจ้าครอบเจ้าของครอบครองอยู่หรือแทนที่จะใช้ประโยชน์เฉพาะปัจจุบันก็ใช้ประโยชน์ที่จะให้เป็นการคืบกูลแก่ตนในอนาคตในภพชาติต่างๆที่พระเจ้าสรงใช้คาว่าบุญยนิธิเรียกขุมทรัพย์คือบุญที่บุคคลฝังเอาไว้ เป็นสิ่งที่ติดตามตนไปให้ความสุขความเจริญแก่ตนแต่พอถึงระดับหนึ่งวิชาก็เพิ่มขึ้นอีกก็มองเห็นว่าแม้อย่างนี้มันก็เป็นความสุขชั่วครั้งชั่วคราวจะมีความเสี่ยงอยู่การบังเกิดเป็นเทพประุดเพชทธิดาบนสวงสวรรค์ น, นั้นที่จริงก็คือสังขารซึ่งจะต้องแ ป, ปรเปลี่ยนแปลงแตกดับไปในที่สุดและการแตกดับไปนั้นอาจจะตกนรกไปเลยก็ได้ ผนจึงสำรอกภาวะตันหาคือความยินดีในพบไม่ปรารถนาพบไดปรารถนาสิ่งที่เราเรียกว่านิพัทธ์ผลท่านจะเริ่มบันเทาแม้แต่ระดับของความคิดอยากที่เป็นอาการของนิวน ในสมถะกรรมฐานคือการเจริญกรรมฐานที่มีการเจริญกันนั้นก็เป็นการซสงบเข้าถึงใจหมาความแม้ระดับความคิดมันก็ถูกลดความรุนแรงลงไปพราจนถึงจุดหนึ่งทรัพย์สินเงินทองต่างๆจะถูกสลายจะถูกทอดทิ้งจะถูกสละบริจาคไปในตัวอย่างที่พระโพธิสัตว์ได้ประพฤติปฏิบัติมา ก็ถือว่านี้เป็นปวัตถุกรรมที่จะบังคับเสด็จสายจิตใจของบุคคลให้สายไปเดิมนาจของสิ่งเด่านั้นอยางไม่มีอะไรก็ขอให้เกิดพบการหมุนวนอยู่ในสังสารวัฏ ต, ตอนนั้นก็มุ่งไปสู่ความเป็นสุดหมดจดจากกิเลสเครื่องสมองทางลายรือต้องการจะตัดแม้ระดับของพบ พอมาถึงจุดนี้ท่านสาธชนทั้งหลายสามารถมองกลับไปได้ที่องค์ธรรมซึ่งพระเจ้าทรงเทศมากที่สุดที่ท่านเรียกว่าสัมบูลานุสาสนีตั้งแต่เริ่มแสดงธรรมะตอนตอน้ตนๆจนเริ่มแสดงครั้งแรกแก่พวกของพระยศครอบครัวของพระยศรระแล้วก็ว่าเรื่อยไปตลอดพระชนมชี PN นั้นจะเทศธรรมะชุดนี้มากที่สุด เราจะเห็นเรื่องการลดของอวิชาการเพิ่มของวิชาแต่เป็นเรื่องค่อยๆลดค่อยๆเพิ่มเป็นรูปของการปฏิบัติขัดเกลาตำนองคล้ายๆกระสายกฏกบไม้ทากระดาษทรายไม้การขัดสนิมเหล็กการถูพื้นการรีดผ้าต่างๆคือค่อยๆทำไปเรื่อยๆจิตใจก็จะมีความบริสุทธิ์เพิ่มขึ้น ซึ่งหมายความว่าอาวิชชากรลดลงไปในจุดนั้ น, น, นโดยทรงเริ่มสอนมาจากฐานคือการให้แล้วก็ยายการให้ออกไปโดยลำดับจนมีจิตใจกว้างขวางมองผู้รับทั้งหลายด้วยความเมตตากรุณาและพร้อมที่จะให้แม้ในสัตว์ดิบชาดแม้ในคนที่มีเวรมีภัยกันแม้ในสัตว์ร้ายทั้งหลาย แสดงว่าจิตใจนั้นมีความเยือเกเย็นเกิดขึ้นปกแผ่มากิ่งขึ้นแยกความเป็นเราเป็นเขาออกไปได้มากขึ้นจนถึงจุดหนึ่งนั้นสามารถจะสละได้แม้ในชีวิตที่เรียกว่าแนวของฐานะบา ร, รมีฐานะโบามีฐานะปรมัตถบา ร, ร ม, ารรมีแต่ก็ไม่ใช่ขยายเทศขยายอย่างนั้นสเสมอไป ก็ทรงมองดูถึงคนบางคนว่าเขาจะบรรลุผลสูงสุดโดวยวิธีใดก็จะทรงแสดงวิธีนั้นเพราะว่าธรรมะนั้นเป็นถนนเป็นมรคนนี้สามารถจะเดินจากจากจุดไหนไปจึงจะถึงเป้าหมายก็จะบอกในแนวนั้นเพราะวิธีการออกเดินจุดออกเดินจึงไม่เหมือนกันแต่จะมีจุดบรรจบเหมือนกัน รามุ่งไปสู่เป้ามายอย่างเดียวกันคล้ายๆกับท่านทั้งหลายออกมาจากบ้านคนละทิศทางคนละทิศละทางจากวัดประวัติแต่ถ้ามีเป้าหมายตรงกันเพราะงั้นมันจะมีจุดบรรจบของมันซึ่งจะเป็นไปตามธรรมชาติธรรมดาจากนั้นจะทรงแสดงเรื่องของศีลเราจะสังเกตว่าศีลนั้นมีเหตุผลมีสติปัญญาเพิ่มขึ้นซึ่งหมายความอาวิชชาลดลงไปมากขึ้น การรักษาศีลจึงเป็นเรื่องทำได้ยากโดยจำนวนข้อก็ปฏิบัติได้ยากแต่แนวที่ลึกลงไปในแต่ละข้อก็ยิ่งปฏิบัติได้ยากเพราะเหตุผลสติปัญญาต้องมีมากพอแต่การรักษาศีลศีลก็จะมีความฉาบฉวยเป็นรูปของแฟชั่นโชว์เป็นรูปของรูปแบบที่โชว์อวดกัน แต่ จ, จริงๆแล้วก็ไม่ได้เข้าถึงศีลอย่างลึกซึ้งอะไรเชิญสมาทานศีลไปแล้วก็ละเมิดศีนแลได้เดือ ด, ดหรือแสดงความเป็นผู้มีศีลต่อหน้าคนแล้วก็รับหลังก็ไม่มีศีนอะไรนั่นก็แสดงว่าเป็นเรื่องของการโอ้อวดเป็นเรื่องการต้องการผลประโยชน์แต่ธรรมะปฏิบัตินั้นจะเป็นเรื่องมุ่งขัดเกลาตัวเอง ไม่ได้สนใจว่าใครจะมีความรู้สึกอย่างไงเป็นหลักแต่สนใจว่าตนจะได้ทําอะไรเป็นหลักเพราะสิ่งที่เรารับผิดชอบได้จริงๆก็คือการกระทําของเราเองการพูดเราเองความคิดเราเองการกระทำของเราเองบรรแนวปฏิบัติธรรมจะเห็นว่ามันเป็นเรื่องเฉพาะตัวคนนั้นเวลาเกิดผลขึ้นมาก็ทรงแสดงว่าสุติอสุธิปัจจต่างนั้นโยอัญงวิโสทใยความบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์เป็นเรื่องเฉพาะตัว คนหนึงจะทำอีกคนหนึ่งให้บริสุทธิ์ไม่ได้แต่ว่าคนเรานั้นเป็นสัตว์สังคมอยู่เกี่ยวข้องกับบุคคลเองมันกระทบกระเทือนในแง่สังคมแต่ไม่กระทบกระเทือนในแง่ของความเป็นบาปเป็นบุญคือบาบุญก็เป็นเรื่องส่วนจิตใจของแต่ละคนแต่ในแง่สังคมนั้นจริง เราคนเเกีเก่ยวข้องกับสถาบันเกีย่ยวข้องกับบคุคคลเราเป็นครอบครัวเราเป็นคนในสกุลหนึ่งคนในสกุลเราไปทําให้ดีข้าวเรากระทบด้วยในความรู้สึกนึกคิดของสังคมแต่ไม่ใช่บาปซึ่งเกิดขึ้นจากการกระทําไม่ดีของญาติพี่น้องเรามาจากเกิดแกเราด้วยเขาคงรับปบาปไปแต่เราก็รับความรู้สึกของสังคมไป ในขณะเดียวกันถ้าปัญญามันเกิดขึ้นมันก็จะอวิชชาไปได้ก็มองเห็นชัดว่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกันสังคมเองก็มองแยกว่าไม่ได้เกี่ยวกันเป็นเรื่องของเฉพาะคนไม่ใช่เรื่องของตระกูลสังคมเองก็ไม่ต่อต้านเราเองก็ไม่เดือดร้อนพราใจที่มันเปลี่ยนแปลงไปจึงเห็นว่าอาวิชชามันลดลงไปมีเหตุมีผลในการคิดเพิ่มขึ้น ตำนองที่กติไทยก็พูดว่าควายใครเข้าข้อบคนนั้นนั้นเป็นภาพที่ชัดมากเราจะต้องรับผิดชอบในส่วนที่เราทำเท่านั้นเองเหมือนที่เรามองคนอื่นเราก็มองว่าเขาต้องรับผิดชอบในส่วนที่เขาทํำทานั้นจึงมีการแยกแยะออกไปได้อย่างชัดเจนไม่มีอาการของความลำปาไม่ใช่ว่าโกรธพ่อแล้วไปโกรธลูกโกรธญาพี่น้องเขาก็โกรธเฉพาะคนนั้น ยังมีอาการของวิชชาแต่มันจา่าผลแนวของศีลจะแนวเรียงข้อก็ตามแนวที่เจาะลึกลงไปในแต่ละข้อก็ตามโดยน า, าการของโลภะจางลงโทสะจางลงโมหะจางลงอย่างน้อยที่สุดไม่รู้อำนาจแกณฑโลภะโทสะโมหะจนถึงก็ปะทุสารายคนอื่นด้วยกายด้วยวาจา พ่วนประการนี้มีปัญญาเข้ากำกับมีความบริสุทธิ์ระดับฐานระดับศีลเรียกก็เป็นเหตุที่จะให้คนได้รับความสุขระดับสังสารวัตรคือบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์ก็แสดงเห็นว่าที่จริงมันมีพพมันมีชาติแต่ก็ดีกว่าเกิดเป็นคนดีกว่าเกิดเป็นสัตว์ดิเรกชนันเกิดในสวรรค์ก็ดีกว่าอะไรแต่หลายหลายอย่าง แต่พอถึงจุดหนึ่งทรงสอนนี่มันก็เป็นพบมันก็เป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์พอสอนสวรรค์เสร็จบรรยายสวรรค์ไปยหยดย้อยสวยงามน่าสนุกสนานเพลิดเพลินแล้วก็ทรงตลกไปเห็นว่าจริงๆสวรรค์มันก็คือที่ตั้งของความทุกข์เพียงแต่ว่าทุกน้อยลงเท่านั้นเองแต่ก็ไม่ควรลืมทุกข์ในความเป็นสวรรค์ โรการที่จะทํำให้หมัวมองประมาทนั้นเกิดขึ้ น, นได้ง่ายจากนั้นจะทรงแสดงว่าสวรรค์ไม่สมบัติที่เป็นทิพย์รูปทิพย์เสียงทิพย์กลิ่นทิพย์รสทิพย์สัมผัสทิพย์ก็คือชิพแต่ทิพย์เองมันก็ไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นนั่นมีการทะเลาะวิวาทมีการแข่งแย่งมีการต่อสู้กันมีสงครามระหว่างเทวดากับเทวดามีสงครามระหว่างเทวดากับอาสูลไม่ใช่ชีวิตที่สงบจริง เรทงแสดงเรี่ยวกรามมัทีนก็คือโทษของการโทษของกาม ก, ก็คือโทษของความคิดที่เกี่ยวกับกามแล้วก็ทําไปเพื่อตอบสนองความต้องการของตัวเองทางการหรือพูดไปเพื่อตอบสนองความต้องการของตัวเองทางการบางครั้งก็คุมได้บางครั้งก็คุมไม่ได้ทางการมันก็จะมองเห็นโทษ พอมองเห็นโทษแล้วจะเห็นว่าความร้ายสาระไร้แก่นสารของสิ่งนั้นเมื่อหาทางออกไม่ได้พระเจ้าก็ทรงแสดงในขมานในสงฆ์คือในสงฆ์ที่จะดึงกายดึงจิตของตนออกไปจัด ก, การตรงสะท้อนภาพของชีวิตคนในโลกให้เห็นว่าคนจะพวกหนึ่งที่เขาเดือดร้อนนั้นที่จริงเขาทำตัวเขาเองที่ทรงใช้คำว่ากายก็ไม่ออกใจก็ไม่ออก หมายความหมกมุ่นวุ่นวายอยู่ด้วยกองเวรภัยอันตรายต่างๆเช่นว่าตกเป็นทาตสของสิ่งเส็บติดโรคเป็นตกเป็นทาสของอบไยมุกวิ่งเข้าหาปัญหาหรือไม่หลบหลีกปัญหาทําให้การสะสมปัญหาเกิดขึ้นเป็นชีวิตที่ว้าวุ่นสับสนรุนแรงตั้งกายทั้งใจก็เดือดร้อนคนประเภทหนึ่งนั้นกายอาจจะออกไป จนออกเป็นนักบวชประเภทต่างๆเขวัดฟังธรรมำจำศีลโดยรูปแบบแต่ว่ใจใยอย่างหมกมุ่นวนวายอยู่ด้วยความคิดความคล้ายความปรารถนาความต้องการใจยังร้อนใจยังรุนแรงใจยังถูกเผาล้นด้วยไฟราคะไฟโลภโดยมีไฟโมหะเป็นตัวผลักดัน แ, แสดงเห็นว่าเอาก็จริงตรงนี้มันก็ยังมีความเร่าร้อน กายมันอาจจะเย็นแต่ใจมันร้อนมันก็ช่วยอะไรไม่ได้เพราะตัวสเสวยอารมณ์จริงๆไม่ใช่ตัวกายแต่เป็นตัวใจก็ทำให้เขาไม่ได้ความสุขจริงๆก็ทรงแสดงถึงรูปของชีวิตประเภทหนึ่งที่เรียกว่ากายออกใจกายไม่ออกแต่ใจมันออกจะแก้ปัญหาภายในจิตใจได้แม้จะอยู่ครอบครองเรือนเป็นชาวบ้านทัว่วไป แต่ว่าใจมองเห็นโทษของกิเลสมองเห็นโทษของตัณหาก็้าไจารลดละบรรเทาโดวยวิธีการต่างๆทำโครงสร้างของศีลสมาธิปัญญาระดับหนึ่งสามารถยุติเวรไภได้ระดับหนึ่งสามารถสงบความคิดได้ระดับหนึ่งสามารถที่จะตัดได้ไปเรียกว่าดับได้ ก็ได้สวยความสุขอย่างแท้จริงเป็นสุขที่เกิดขึ้นจากการหมดไปของวิชาระดับหนึ่งมีความสุขเกิดขึ้นภายในใจมองโลกตามแนวที่พระเจ้ามองคือด้วยเมตตากรุณาและจุดที่สมบูรณ์จริงๆนั้นก็คือกายก็ออกใจก็ออกหมายความว่าพวกพระหันทั้งหลายที่ท่านบวชเป็นพระ เป็นภิกษุณีเป็นสัมมเนสสัมมเนตรีพูดง่ายว่าใชา้ชีวิตนักปวดแต่การสําคัญว่าใจท่านไกลไกลจากอานาจกิเลสอำนาจของอารมณ์ทั้งหลายแม้จะอยู่ใกล้เกี่ยวข้องกับพวกอารมณ์ทั้งหลายแต่ใจท่านไม่คล้องไม่จิตเป็นใจประเภทใบบัวดอกบัวในน้ำโคลนต้มไม่อาจจะซึมซับเข้าไปได้ คนนี้จึงเป็นอาการจางของอวิชชาจางไปจางไปจางไปความคิดมันก็ควบคุมได้ไปเรื่อยๆจ็ถึงจุดหนึ่งก็ออกจากมิจฉามทกไปสู่สัมมามทกจะเดินไปในทางที่ชอบแต่เรื่องการต่อสู้กับอวิชชาเป็นเรื่องใหญ่เพราะอวิชชาก็เป็นโคตรเป็นรากงาวของกิเลสทั้งหลายคนที่ตัดอวิชชาได้จริงๆ จ, งจึงมีเฉพาะพปาราคัน พูดง่ว่าเป็นพุท ธ, ธบุคคลสามประเภทคือพระหันตะสมมาสมพุทธเจ้าพระประเจกพุทธเจ้าพระหันตะสาวกเท่านั้นเองจึงตัดอภิชาได้นั่นแล้วแรงข้องอยางติดแนวธรรมะปฏิบัติก็คือทรงสอนให้มองเห็นโทษของวิชาในระดับต่างๆแล้วยามหลบหลีกเลี่ยงไปเรื่อยๆถอยห่างไปเรื่อยๆ ในด้านของความคิดก็คือคุมความคิดอย่าตกไปถูกกระแสะของความอยากมากเกินไปอย่างน้อยก็คุมไว้ระดับไม่อยากได้ของของบุคคลอื่นถ้าคุมได้ระดับนี้ทุจริตทางกายทางวาจากก็ดับไปแล้วแมายความใจก็บริสุทธิ์ระดับที่เรียกว่าปิดประตูนรกได้แม้จะยังมีพบมีชาติจะเวียนว่าตายเกิดอยู่ก็ตามแต่ก็ แสดงว่าชีวิตนั้นไดพัฒนาขึ้นไปในธรรมะปฏิบัติทางหลายทุกระดับจึงเป็นเรื่องของการลดอวิชชาเป็นหลักเป็นโดยการอาศัยการเพิ่มของวิชาเป็นหลักการเพิ่มของวิชาก็คือการลดของอวิชชาแล้วถ้าเรามองจากการลดของวิชาก็คือการเพิ่มของวิชาคล้ายกันในห้อง เมื่อแสงสว่างเพิ่มก็คือการลดของความมืดแต่ความมืดเพิ่มนั่นเองก็คือการลดของแสงสว่างตราบใดที่ยังกําึ่งกันอยู่ก็ต้องมีการต่อสู้กันอย่างหนึ่ตงตอนนี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสุขต่อไป